วายวิสัชนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนั้นไปที่ขอนแก่นอันนั้นคล้ายๆกับว่าท่านนึกผูกปัญหาขึ้นมาท่านทรงปรารถขึ้นมาว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนั่งมาในเครื่องบิ น, นบรนฉุคิดขึ้นมาว่าคารืหัดที่สาเร็จพระอรหันต์แล้วทำไมจึงต้องด่วนนิพพานเสียภายในเจ็ดวัน พระอาหารหันต์ท่านก็ปล่อยวางเบญจขันธ์หมดแล้วจะอยู่ไปจนชั่วอายุไขยไม่ได้เหรอท่านรับสั่งถามเราก็มานึกว่าตำรานี่พระองค์ศึกษามามากแล้วเอาตำรามาตอบเนี่ยคงจะเอาตัวไม่รอดก็เลยขอถวายพระพรว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิตรอาตมาภาพขอพระราชทานวโรกาสถามปัญหาพระมหาบพิตร พระคุณเจ้าจะถามอะไรก็ถามถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ต้องโยนคืนให้พระคุณเจ้าเป็นผู้ตอบก็เลยถวายพระพรพระมหาบพิตรแร่ธาตุต่างๆในจักรวาลนี้ในเมื่อมันมาเป็นจบกันเข้ามันเกิดระเบิดหรือสลายตัวมีไหมมหาบพิตรท่านบอกว่ามีอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติของแร่ธาตุใช่ไหยใช่ ถ้าอย่างนั้นข้ารือหัดซึ่งสําเร็จพระอาหารหันต์แล้วต้องนิพพานภายในเจ็ดวันก็เป็นกฎธรรมชาติของความเป็นพระอาหารหันต์เป็นเช่นนั้นคุณธรรมความเป็นพระอาหารหันต์จะไปสถิตยอยู่ในสันดานของข้ารือหัดนั้นไม่ได้ต้องนิพพานภายในเจ็ดวันถ้าไม่อุปสมบทอันนี้คือกฎธรรมชาติอัตมาภาพถวายคําตอบอย่างนี้พอได้ความหรือไม่พระมหาบาพิษพระองค์ตรัสว่า จำดีขอถวายพระพรทําไมพระมหาบาพิทจึงรับสั่งถามัตมาภาพอย่างนี้ท่านตรัสว่ากระผมไปทางภาคเหนือไปถามครูบาอาจารย์ทางเหนือท่านตอบว่าพระอรหันต์ท่านเบื่อหน่ายได้เบญจคัน์จึงได้ด่วนนิพานพานเสียภายในเจ็ดวันจึงทําให้สงสัยว่าพระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางหมดแล้วยังจะมีความเบื่อหน่ายด้วยหรือ จึงได้พกเอาปัญหามาถามพระคุณเจ้าแล้วท่านพระราชฐานข้อคิดเอาไว้อันหนึ่งว่าเรื่องอุบายการแก้จริตอบพระกุณเจ้าน่าจะเรียบเรียงบทความไว้ให้ดีแล้วก็อัดเทปแจกจ่ายให้ญาติโยมเข้าได้ฟังทีนี้หลวงพ่อก็ยังไม่มีปัญญารม